Maori Maori 50 languages. 37. m u p p a d i y e ระหว่างเดินทางวันอื่เขาขับรถจักรยานยนต์ Our motorcycle selkirah. เขาขี่จักรยาน เขาเดินเขาไปโดยเรือใหญ่เขาไปโดยเรือเขาว่ายน้ำเขาว க ி ற ா ர ் ที่นี่อันตรายไหมคะอินออบต่อเนี่ยยี ด, ดมะมังการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะยังเ ก, ต, เกตันิเย์เซลวัตออบต่อมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนยิงเกยีราฟิลตันิเย์นัดนต์เซลวัตออบต่อเราหลงทาง நாங்கள் த ொ ல ைลลปปรเราு போய்விட்டோம் เมรามาผิดทางเா ங ் க รา தவறான பாதையில் บทางเววดิมเราต้เวราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม ந ราต้องเி ர ு ம ் ப ลே ண ் ட ு ம ்เาอียวทดราไทางด้ที่ไหนคะ i n g งเดิมเราต้องเลี้ยวกลับทามีที้ี้มีที่เาอดรถไหมคะ இ ங ்เก வண்டியை ந ยนิรุตு ம ி ட ด் ஏதும் இ ர ี க ் க ி ற த ாะที่นี่จอดรถได้นานเท่าไรคะ இங்கே วัน ட ีกை எத்தனை நேரம் ந นิรุต த ல ா ம มคุณเล่นส ก, กีไหมคะนิิงกัลปนิชเชอร์กัลเซวีร์หดละคุณจะขึ้นส ก, กีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะนิิงกัลส ก, กีลิฟต์ till วุ க ் க ு செல்வீர்களா? ที่นี่มีส ก, กีให้เชาาา่าไหมคะยังปนิชรุกข์ปละเยวอดระกิกยึดก็มุดีอมั